อ, อ่าเจริญพรการบัตรธรรมนะบางคนก็ตั้งใจบัติธรรมกันก็มีอยู่นะแต่จริงๆแล้วการบัตรธรรมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนเราส่วนหนึ่งก็คือเราต้องกลับมาสังเกตตัวเราเองว่าเรามีการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไหมตรงนี้มันสําคัญมากเนาะทํา ม, มีการปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่เคยกลับมาสังเกตจิตวิญญาณเราสูงขึ้น หรือเปล่าหลังนะคือคํานี้หมายความว่าเราพัฒน า, าจิตใจเรานะหรือว่ า, านิสัยต่างๆเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะเส้นนะเป็นคนโกรธเก่งเราก็ความโกรธเราลดลงไปไหมนะคือมันไม่ต้องหมดไปก็ได้นะมันอาจจะไม่หมดไปหรอกแต่ว่าความโกรธเราน้อยลงไปไหมลดลงไปไหมนะหรือนิสัยต่างๆเนะาะอ ความเห็นกระตัวต่างๆเราลดลงไปไหมนะหรือว่าเรายังคิดว่าเจ้าเปรียบคนอื่นใช่ไหมต่างๆเราเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญมากบางทีอาตมาก็เคยไปวัดอื่นนะในวัดอื่นในวันที้ไปแล้วพวกทที่ไปไปกุฏิไปอยู่กุฏิมันวัดปฐมวันหนึงต้องเก็บขยะทั้งวันเลยนะมันไม่ได้ทําอะไรเก็บขยะทั้งวันต้องมีพระเก่าเนี่ยไปทิ้งขยะรอบๆกุฏิเลย พอเราไปเราก็ต้องเก็บเพราะว่าถ้าเราอยู่นานๆไปรเราจะปกตินะันคนก็นึกว่าเราเป็นคนทิ้งนะแล้วขยะมันดูไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับวัดใช่ไหมวัดอะไรมีการทิ้งขยะกันเยอะแยะมันไม่เหมาะสําหรับวัดเลยมันไม่ใช่รักหนักของวัดที่ว่าเหมาะเพราะเรเป็นวัดปฏิบัตินะเราต้องไปช่วยเก็บขยนะน้ะมันกลายเป็นว่าเพิ่มพลายให้กับผู้มาอยู่ที่หลัง แล้วก็คนทิ้งก็กลายเปนทิ้งด้วยความสะดวกสบายแทนที่ไปทิ้งในถังฐานะ ก, ก็ใช้วิธีแบบนั้นกันนะอันนี้ไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเลยนะบางทีอาตมาไปอยู่บางวัดนะที่กุศก็มีถังถังน้ําอยูข่ของตัวเองขอ ง, ของที่กุศเองเพราะว่ากลับมาถึงอ้าวถังน้ําหายไปไหนแล้วไปดูอา้าวพระกุศอื่นเมาถังน้ําของอาตมาไป แล้วมันอันนี้ไม่ไม่รู้เป็นประวัติยังไงนะคือไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเลยการเป็นคนยังไงตัวไปนะคือเอาง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วหรือเห็นของที่เป็นกองกลางใช่ไหมกองกลางเช่นอ่าน้ำยาล้างบาทเนี่ยมันจริงๆแล้วเพื่อให้ให้พระมีความสะดวกในการใช้กันแล้วก็เติมก็เติมง่ายเติมทีเดียวก็หลายๆลขวดเลยเติมทีเดียวก็ใช้กันานานบางทีพระเยอะก็จะใช้กันสะดวกขึ้นไม่ต้องมารอกัน แทนที่จะไปเอาที่ว่าเอเราหาหาด้วยตัวเองหรือว่าไปเอาจากที่ว่าสามารถเบิกได้ก็ไม่จิบเอาจากกองกลางนี่แหละเป็นของคนตัวนั้นนี่ไม่เฉพาะที่นี่แล้วก็มีเถื่อนก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ได้พัฒนาจริญญาณให้สูงขึ้นเพราะว่าไม่ได้เห็นความเพ่งตัวของตัวเองเนาะจริงๆคนเป็นกรรมทั้งนั้นนับนแต่การทิ้งวิญารอบล่องสูที่เป็นพาไายคนอื่นก็ไปเก็บนี่ก็เป็นกรรมใช่ไหมเพราะว่าคนเก็บก็คือเป็นพระนั่นเองว่าก็เป็นกรรม เบียดเบียนคนอื่นให้ก็ต้องมาทําในสิ่งเราทิ้งไปหรืวบาที่เราเดินตามถนนนะเจอถนอนมีคนทิ้งขยะนะทิ้งขยะไว้เนี่ยก็คือพระก็ต้องเก็บใช่ไหมบางทีคนทิ้งเป็นโยมแล้วพระเก็บเนี่ยดูดิมันเป็นกรรมไหมใช่ไหม ม, มันอันตรายมากนะถ้ามาในวัดเราไม่รู้ว่าวิธีการเกี่ยวข้องกับวัดเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นเลยเนาอันนี้มันมันจึงว่าการมาทำมันก็ดีนะ แต่ตัวหนึ่งก็คือเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว้ามันมีการพัฒนาจิตวิญ ญ, ญาณเราให้สูงขึ้นไหมทําให้พัฒนาจิตวิญ ญ, ญาณสูงขึ้นมันก็มันก็ไม่ได้ผลในการปฏิบัติธรรมนะมันไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยพเพราะนี่มันสามารถพิสูจน์ได้โดยตัวตรเราเองใช่ไหมถ้าเราทําได้ดีแล้วนะก็อย่างเราก็สามารถที่จะตั้งใจมันจะมีเข้าใจในความเขาเรียกว่าในในความเหมาะความควรนะความ สมเหตุสมผลนะหรือว่ากาลเทศะมันสําคัญมากเนาะถ้าเราไม่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นมัไม่เคยมาเตือนเราได้นะมันจะมาเตือนตรงนี้ต้องทําอันนี้นะตรงนี้ไม่ควรทำเนี่ยนั้นมันจะเด็กๆใช่ไหมแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีใครเตือนแล้วก็สามารถที่จะเตือนตัวเองได้ใช่ไหมว่าคันเตือนตัวเองได้ไหมใช่ไหมเนาตรงนี้มันสําคัญมากพลักการการก็คือเป็นการส่วนหนึ่งพัฒนาจิตวิญญาณแล้วนั่นเองนะ ขณะชาตินี้เราไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเรายังมีนิสัยเก่าอยู่เยอะนิสัยเก่าคือความโลภความโกรธความหลงหรือความเทตุต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พัฒน า, านสัยมันเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปเวยียนมาใสาเกิดอยู่ดีนะจะหนักกว่าเก่าพเพราะเราอยู่ในในในัดใช่ในวัดเ น, นี่ยเาเรียกว่าการทาบุญใช่ไมมันต่างกันใช่ไอย่างพระเาานี่ยทบุญทวันนิวโต้งนะแต่บุญทวันกำปั้น ก็คื อ, อชาวบ้านทำบุญนิ้วโป้งเท่ากับนิ้วโป้งแต่พระทำบุญนิ้วโป้งเท่ากับกำปั้นก็ได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมนะเท่านิ้วโป้งก็ได้กรรมเท่ากำปัป้นเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะไม่งั้นเรามาแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าสถพระสารีมันมันต้องระวังจิตใจเรามากในการพังนาจิตวิญ ญ, ญาณแล้วนะไม่งั้นเราก็จะเป็นกรรมที่ว่างนั่นแหละพรงนี้เป็นจริงจริงว่าเราต้องกล ร, รมมาสังเกตตัวเองให้บ่อยๆนะจะได้ พัฒนาจิตวิญญาให้สูงขึ้น อ, อ่าเจริญพรการบัตรธรรมนะบางคนก็ตั้งใจบัตรธรรมกันก็มีอยู่นะแต่จริงๆแล้วการบัตรธรรมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราส่วนหนึ่งก็คือเราต้องกลับมาสังเกตตัวเองว่าเรามีการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไหมตรงนี้มันสำคัญมากเนาะ มีการปฏิปธรรมแต่ว่าไม่เคยกลับมาสังเกตจิตวิญญาเราสูงขึ้นหรือเปล่านะ้ำนกลือมทำนหมายเขาว่าเราพัฒน า, าจิตใจเรานะหรือว่ า, านิสัยต่างๆเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมนะเส้นะเป็นคนโกรธเกง่งเราก็าความโกรเราลดลงไปไหมนะคือมันไม่ต้องหมดไปก็ได้นะมันอาจจะไม่หมดตลอด แต่ว่าความโกรธเราน้อยลงไปไหมลดลงไปไหมนะหรือนิสัยต่างๆเนาะความเห็นกกบตัวต่างๆเราลดลงไปไหมนะหรือว่าเรายังคิดว่าเจ้าเปรียบคนอื่นใช่ต่างๆเราเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นประเด็นสำคัญมากนะบางทีอาตมา ก, ก็เคยไปวัดอื่นนะไปวัดอื่นในวันะี้ไปแล้วพวกที่ไปไปกุฏิไปอยู่กุฏิมัน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 เราต้ไปช่วยเก็บขยะนมันกลายเป็นว่าเพิ่มพลายให้กับผู้มาอยู่ที่หลังแล้วก็คนทิ้งก็กลายเป็นทิ้งด้วยความสูสะดวกสบายแทนที่ไปทิ้งในถังขยะก็ก็ใช้วิธีแบบนั้นกันนะอันนี้ไม่ได้พัฒนาจิตวิญ ญ, ญาณเลยนะหลวงเทอตมาไปอยู่บางวัดนะที่กุศก็มีถังถังน้ําอยูขอ่ของตัวเองขอ ง, ของที่กุศเองเขาบอกวกลับมาถึงอา้าวถังน้ําหายไปไหนแล้วไปดูอา้าวพระกุศอื่นมาเอาถัางน้ําของอาตมาไป แล้วมันอันเนี้ยไม่ไม่รู้เป็นประบัติยังไงนะคือไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเลยการเป็นคนยังงตัวไปนะคือเอาง่ายๆอะไรเงี้ยเราหรือเห็นของที่เป็นกองกลางใช่ไหมกองกลางเช่นลัมหยาล้างบาทเนี่ยมันจริงๆแล้วเพื่อให้ให้พระมีความสะดวกในการใช้กันแล้วก็เติมก็เติมง่ายเติมทีเดียวก็หลายๆขวดเลยเติมทีเดียวก็ใช้กันนานบางทีพระเยอะก็จะใช้กันสะดวกขึ้นไม่ต้องมารอกัน แทนที่จะไปเอาที่ว่าเอาเรานหาหาด้วยตัวเองหรือว่าไปเอาจากที่ว่าสามารถเบิกได้ก็ไม่จิบเอาจากกองกลางนี่แหละเป็นของคนตัวนั้นนี่ไม่เฉพาะที่ที่นี่แล้วก็มีทื่อนก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ได้พัฒนาจิตวิ ญ, ญญาณให้สูงขึ้นเพราะว่าไม่ได้เห็นความเพ่งตัวของตัวเองเนาะจริงๆคนเป็นกรรมทั้งนั้นนะรับนั่นแต่การพิจาตรรอบๆกูรที่เป็นพาไลคนอื่นก็ไปเก็บนี่นก็เป็นกรรมใช่ไหมเพราะว่าคนเก็บก็คือเป็นพระนั่นเองใช่ไหมก็เป็นกรรม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 ตัวหนึ่งก็คือเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าม <screen> <ét> ันมีการพัฒนาจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นไหมทําให้พัฒนาจิตวิญญาณสูงขึ้นมันก็มันก็ไม่ได้ผลการปฏิบัติธรรมนะมันไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยเพราะนี่มันสามารถที่สูจน์ได้โดยตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราทําได้ดีแล้วนะก็อย่างเราก็สามารถที่จะต้องใจมันจะมีเข้าใจในความเขาเรียกว่าในในความเหมาะความควรนะความ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 ขณะชาตินี้เราไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเรายังมีนิสัยเก่าอยู่เยอะนิสัยเก่าคือความโลภความโกรธความหลงหรือความที่เนืตต่างๆเนี่ยมันไม่ได้คัฒนานาินสยัยมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ต้องไปเวีนว่ายตาเกิดอยู่ดีนะอจะหนักกว่าเก่าเพราะเราเมืออยู่ในใ น, ใ น, ใ, นในวัดใช่ไมในวัดเนี่ยเาเรียกว่าการทาบุญใช่ไมมันต่างกันใช่ไอย่างพระเนี่ยทำบุญท้าวันนิ้วโต้งนะแบุญทัวกรรมั้น ก็ค pues yeah. no. ือชาวบ้านทําบุญนิ้วโป้งเท่ากับนิ้วโป้งแต่ท่านทําบุญนิ้วโป้งเท่ากับปั้นก็ได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นเราทํากรรมนะเท่านิ้วโป้งก็ได้กรรมเท่ากับปั้นเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะไม่งั้นเรามาแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าสถานเพียงมันมันต้องระวังจิตใจเรามากในการทำงานจิตวิญญาณแล้วนะไม่งั้นเราก็จะเป็นกรรมดี่ว่างนั่นแหละตรงนี้เป็นจริงจริงว่าเราต้องกลรมมาสังเกตตัวเองให้บ่อยๆนะจะได้ ขนาจินยา้สูงขึ้น